แต่ถ้าเรามีสติมีความรู้ตัวทั่วพร้อมมันก็จะมีการคข้ครวญอาการไข้ครวญ น, นี่ก็คือความคิดละคิดคข้ครวญก่อนที่จะพูดก่อนที่จะทำผลก็ออกมาดีมีประโยชน์ถ้าก็เราขาดสติการคิดคข้ครวญที่ถูกต้องมันก็จะไม่เกิดขึ้นบางทีพูดไปทำไปมันก็ผิดชีวิตก็ผิดพลาดก็มาเสียดายเสียเวลา